ในขนาดที่ชีวิตของผู้อื่นเต็มไปด้วยจุกขอเชิญท่านนำพระพรมผู้เป็นเจ้าของท่านกลับไปเถอะข้าพระเจ้ายินดีที่จะสู้ทุกเล่ตนเองดีกว่าจะขอความช่วย เ, เหลือจากพระพรมผู้เป็นเจ้าผู้ไร้ความยิ่ติธรรมของท่าน ท่านทรงพระเหลังจากได้พยายามหานักปราดและใช่อุบายต่างๆในการช่วยบรรเทาทุกข์แก่ข้าพเจ้าไม่ได้ผลแล้วบิดาก็หมดท้นทางและหมดปัญญาท่านไม่ทําอะไรฝากความหวังให้กับการเวลาเพียงอย่างเดียวเพราะเชื่อว่าถ้าสิ่งใดไม่สามารถจะช่วยได้การเวลาย่อมช่วยได้ข้าไม่รู้สึกว่าจะเป็นความผิงเพราะสังเกตดูตัวเองเห็นว่า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 อาตมาไม่รู้สึกเหนิดเหนือยแต่อย่างใดเรื่องราวของท่านเป็นที่น่าสนใจไม่น้อยอาตมาใค่จะขอฟังต่อไปข้าพเจ้าดีใจที่ท่านไม่เบื่อฟังเล่าต่อไปเถอะอุบาสกท่านสมณะผู้เจริญเย็นวันในขณะที่ข้าพเจ้ากำลังตกอยู่ในห่วงมหันตกระทุกนั่นเองท่านปุณกกะเศรษฐีซึ่งเป็นสหายชดิตของบิดาได้มาเยี่ยมข้าพเจ้า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 ไม่สามารถช่วยบุตรชายข้าพเจ้าได้สหายแล้วพอจะช่วยได้บ้างไหมสหายได้ข้าพเจ้าช่วยอะไรละ่ะบอกมาเถอะช่วยได้ข้าพเจ้าก็จะช่วยท่านพอจะรู้จักหรือได้ข่าวว่ามีสีมุดีที่ไหบ้าที่จะฉลาดในอุบายวิธีบรรเทาทุกข์สามารถช่วยเทศนาขาจัดทุกข์ของลูกชายข้าพเจ้าได้บ้างเดี๋ยวขอให้ข้าพเจ้านึกดูก่อน พยายามนึกดูให้ดีออกนึกได้แล้วมีใช่ไหมไม่จิตกรุ่งล่าจากลพกรนครหลวงแห่งมกทะมีพระมหาหมุนีองค์หนึ่งนามสมณะโคดมพระองค์เสด็จออกบรรพชาจากสารกยศสุุลแห่งตะกะธนบนุรพระองค์ น, นั้นทรงเป็นพระอาหารสัมมาสัมพุท ธ, ธะเทียบพร้อมด้วยพระปัญญาคณ พระองค์ทรงทาราในเทศนาวิธีและอุายในการระงับทุกเป็นยอดไม่มีศาสดาใดาในสมพูฐวนจะเสมอเหมือนเป็นคู่หามที่เหือดีผู้เกเฉยท่านองไม่ชือน ะ, อะงันเอาอย่างนี้ท้าพระเจ้าจะเล่าเรื่องบางเรื่องซึ่งเกี่ยวกับตัวท่านให้ท่านฟังก็ดีเลอสอะเล่าไปเลยสมัยหนึง่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประทับอยู่ที่พระเทตะวันมหาวิหารใกล้นครนสราวัตถีสมัยนั้นมีกิดาแห่งเศรษฐีในเมืองสาวัตถีชื่อปัจจารจานางได้หนีตามทาสชายของตนไปอยู่ในชนบทด้วยอำนาจแห่งความรักการเวลาผ่านไปจงกระทั่งมีบุตรหนึ่งคนและกำลังตั้งคันบุตรคนที่สองตนจะครบกำหนดคลอดอยู่แล้ว เขาทั้งสองจึงตัดสินใจจะ่ทิ้งใจทําอะไรเดินทางมาสู่ตะกูลของบิดามาดาบิดามาดาของฝ่ายหญิงถูกแล้วเราต่ อ, อไปเถอะขณะที่เขาทั้งสองนะ่ะบุตรน้อยดเดินทางมาถึงกลางป่าใหญ่ก็พอได้เป็นเวลาใกล้ครับขณะนั้นเกิดลมพายุใหญ่สงเสียงอู้อ้านาหวาดกลัวไม่ท่าผมก็ไหลหลังเทลงมา แต่ตีโหดร้ายไปอีกขึ้ น, ๆๆนอ้าอันี้พวกกำลันยากเหนั้นลาพังเราสองคนไม่ไหวแต่ลูกอีสิีโกของเราพี่แหลับไ่รู้เรื่องมย่างนั้นคงรับผนจะไม่ต้องทำอะไรเมื่อไรจะหายก็ทีนะฝลเข็นแก ห, หยุดยากคุณตกหนักไปที่พืนเลยไมจะทํายังไหนหรือพี่ท่านแถวนี้ก็ไม่มีที่หลบฝนจะด้วยดิก็เห็นแกต้องทอมตาฝนกันทุกคืนละ คนได้เนืได้พเจ้าทำได้แต่เจ้าเป็นอะไรอ่ะจเจ็บท้องหมายความว่าลูกเราคงออกมาดูโลกตอนนี้ตายแล้วจะทำยังไงกันดีเนี่ยมี่ฉาที่ฐิลลกำลังฝนให้กัเธอเราจะจัดการอยู่เนี่ย จะไงต่อไปล่ะท่านปุณกกะสามีก็ถือมีดเดินเข้าไปในป่าด้วยความร้อนใจแต่พอมาถึงจอมปลวกแห่งหนึ่งก็ถูกงูใหญ่เลื้อยออกมาตัดถึงแก่ความตายแล้วปัญญาละ่ะนางก็ตาจาราก็พลอดหมดออกมาท่ามกลางสายฝนนั่นเองน่าสงสารเออแล้วยังไงต่อไปอีกละ่ะเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อลมและฝนหยุดแล้วนาก็อุ้มหมดทั้งสองเข้าไปในป่าเพื่อตามหาสามี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 แล้วก็แบกบุตรคนตอลอยน้ำข้ามมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็บอกให้บุตรคนโตอคอยอยู่ที่นั่นแล้วนางก็ลอยน้ำข้ามมาเพื่อจะรับบุตรคนเล็กแต่ขณะที่นางกำลังอยู่กลางแม่น้ำนั่นเองก็มีเหตุการณ์อ น, นาตื่นเต้นเกิดขึ้นเหตุการณ์อะไรตื่นเต้นฮะขณะนั้นนกเหยี่ยวขนาดใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งบินวนเวียนหาเองอยู่แถวนั้นเลื่อไม่เห็นลูกคนเล็กของนาง น, นอนอยู่ริมฝั่งเข้าใจว่าเป็นก้อนเนื้อ ถึงโทบลงไาโฉบเอาไปได้ไหมได้น้ำทำยังไงน้ำจึงส่งเสียงร้องไล่อย่จนสุดเสียงแต่ก่อนไลน่ขนฝ่ายบุคคลโตได้ยินเสียงแม่ก็ขอดใจว่าแม่ร้องเรียกให้ไปหาจึงวิ่งลงสู่แม่น้ำถูกกระแสน้ำเขี่ยกลาพัดพาจมหายไป ทุกข์เพราะสูญเสียสามียังไม่หายความทุกข์เพราะสูญเสียบุตรร้อยทั้งสองก็ประดังกขมายจนเหลือที่ดวงใจใ น, น้อยๆของนางจะทนทานได้านดางจึงร้องไห้เดินละทศตะทวยคล้ายคนบ้ามุ่งหน้าสู่นครสาวัตถีเพื่อไปหาที่พึ่งสุดท้ายคือบิดามารดานในระหว่างทางโจรจะถึงนครสาวัตถีนั่นเอง จำได้ท่านกับข้าพเจ้าเคยรู้จักกรรมาก่อนใช่ไหมถูกแล้วท่านคือปตาจาราใช่ไหมใช่ดีใจจริงๆที่ได้พบท่านไม่ได้พบกันส้นนานทีเดียวนะนานสิท่านหายไปเส้นนานแต่ก็ข้าพเจ้ากลับมาแล้วจะไม่หายไปไหนอีกอบิดามารดาข้าพเจ้าสบายดีเหรออย่าถามเพิ่งท่านเลยยังไม่สบายใจอยู่ตรงทางเดี๋ยวนี้มีอะไรเกิดขึ้นกับท่านั้งสองเหรอกรุณาช่วยบอกข้าพเจ้าเร็วหน่อยเถอะ เมื่อคือนนี้นะสิเกิดพายุฝนขนาดใหญ่ประสาทของท่านเศรษฐีพังทลายลงมาประสาทพังทลายยุิดามานดาข้าพเจ้าลนะ่ะท่านเศรษฐีพร้อมทั้งภรรยาและบุตรชายคนเดียวถูกประสาทพังทับถึงแก่ความตาย หลายครั้งกันดีนางปัตตาจาราก่็ถึงอาการมิปรลาดไม่สามารถจะเข้องสติสัมปชัญญะไว้ได้ต่อไปแม้เสื้อผ้าจะหลุดลุยออกไปจากตัวก็ไม่รู้สึกนางได้เดินกรเเซอกระเติงโมสานไปที่ต่างๆเด็กตัวอันเปลา่าเปลือยมอมแมมพูดเ พ, พ้อรำพันฟังไม่ได้จับบางครั้งก็หวนละบางครั้งก็ร้องไห้ในว่าเธอจะไปไหนจะมีเด็กฝูงใหญ่เดินตามรอเรียนเหยาแย่เป็ิที่สนุกสนาน เออล่วสงสารบ่ายวันหนึ่งขณะที่พระบรมศาสดาสมณะโธดมกำลังทรงแสดงธรรมแก่พุทธบริษับอยู่ที่วิหารเศจาวันนางปตกาจราหญิงบ้าก็มาถึง เลยปล่อยให้เธอเข้ามาหาเราเถอะพระบรมศาสดาบอกให้ปล่อยนางเข้าไปมีใครเลยสักคนล่ะที่จะมีแกจายโยนเสื้อผ้าให้เธอใส่บ้างหลีกทางให้เธอเข้ามาไปเรมาหลีทาะ ปราตาจราเอ้ยขอให้เธอจงได้สติสมัญญะกลับคืนมาเถิดอย่าเศร้าโศกเสียใจไปเลยอันน้ำในสมุทรสาครทั้งสี่ถ้าจะนำมาเปรียบเทียบ ก, กับน้ำตาที่เธอหลังออกมาเพราะการสูญเสียคนรักของรักตลอดเวลาอันยาวนานที่เธอท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตรก็ยังนับว่าน้อยนัก พระดำรดเพียงเจ่านั้นเองนางปตากาลาก็กลับได้สติและปะัญญะต่อมาภายหลังเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาเพิ่มเติมอีกนางก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์และได้บวชเป็นนางพิษุนีสหายเอตยจากเรื่องที่สบายเจ้าเรามานี้ท่านก็คงเห็นแล้วว่าพระบรมศาส ด, ดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตร<จ>งตลาดอนเทศก า, าพิธีเพียงใดแล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่งแสดงถึงทัะ บ, บีิชาของพระองค์ซึ่งขาพาเจ้าได้สดับมาถ้าสหาหปรศาสนาจะปังขาพาเจ้าก็ยินดีจะเล่าเธอเล่าไปเธอะสะหายข้าพระเจ้าจะเกิดความสนใจในพระบรมบาศาสนาองค์นี้เสแล้วเมื่อไม่นานมานี้ข่าวใหญ่ที่แพร่สะพัดไปทั่วชมพูทวีก็คือข่าวองคุรีมาร โจนผู้ยินดีในการฆ่ามนุษย์ผู้มีมือทุ่มด้วยเลือดตลอดการผูดตัดเอานิ้วมือคนร้อยเป็นพ ว, มวงมาลัยสวมคอก็พระบรมศาสตราสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้เองเป็นผู้ปราบมหาโจรผู้นี้ให้สิ้นปรพยชน์แต่พระองค์ก็ไม่ได้ปราบด้วยกำลังรีพนหรือสตราอาวุธใดๆทั้งสิน้นเกิดพระองค์ปราบด้วยอะไรพระองค์ ป, าปราบด้วยพระดารัสเพียงไม่กี่คํา เรื่องเป็นยังไงเรื่องไม่อยู่วาวันหนึง่งคณะอิองคุรีมานค่าคนมาแล้วเก้าร้อยเก้าสิบคนยังอีกเพียงคนเดียวก็จะครบพันแล้วเขาก็จะเลิกค่าแล้วก็วันนั้นเอง พระมหากริย์เตรียมส่งกองทับไปปราบฝ่ายมารดารู้กลัวว่าลูกชายที่รักจะเป็นอันตรายถึงชีวิตจึงแอบเข้าไปในป่าเพื่อจะพบลูกชายแล้วแจ้งข่าวให้รู้แต่พระบรมศ า, ศาสดาทรงทราบ้ดยพระยานว่าถ้าพระองค์ไม่เสด็จไปช่วยองคุรีมานบูเมามันขาดสติสัมปชัญญะขาดเหตุผลอย่างสิ้นเชิงจกฆ่าแม้กระทังารดาของตัว เมื่อสองน้ำรีเช่นนั้นแล้วพระองค์ก็สเสด็จขเข้าไปในป่าติองค์กุริมานซ่อนตัวอยู่เมื่อองค์ุริมานเห็นคนแปลกหน้าเดินมาก็ดีใจเพราะคิดว่าจะได้เหนียวครบปัก็ว่าได้ดาบอาวุธคู่มือแล้วก็ออกวิ่งไล่ทันทีแต่ด้วยอํานาจพุทธานุภาพปรากฏว่าองค์ุริมานวิ่งจนเหอออนื่อยอ่อนก็ไม่สามารถจะไล่ทันพระองค์ได้ในที่สุดก็ตะกนเรียยุดก่อน หยุดก่อนพระองค์นั่นจะหยุดเดี๋ยวนี้เราหยุดแล้วแต่ท่านสิยังไม่หยุดท่านพูดมูสาก็ท่านยังวิ่งอยู่จะว่ายุดไปยังไงเราหยุดแล้วจากบาปอากุศลทั้งปวงส่วนท่านยังไม่หยุดทำบา ด้วยพระดำํำรัสเพียงเท่านั้นองค์ุรีมานก็ได้สติสัมปชัญญะกลับคืนเขาโยนดาบและพวงมาลัยนิ้วมือมนุษย์เองแล้ววิ่งก็ไปถาวายพิวาทพระพุทธเจ้ามอบตัวเป็นสาวกจะหายเอ้ยนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแสดงไงเห็นวิธีเทศนาอันยอดเยี่ยมของพระองค์แล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึง่งแสดงให้เห็นถึงวิธีแก้ทุกขอันชานฉลาดสหายจะฟังไหมละ่ะ ฟังซิท่านเล่าไปเถอะเรื่องไม่อยู่อ่ะบุตรน้อยคนเดียวของนางกีสาโคตมีได้ตายเลยนางเสียใจร้องไห้อุ้มร่างปราจจากวิญญาณของบุต ร, บรกระเจาะกระเสิงไปในที่ต่างๆพบาใครก็ออกปากข อ, อยาสำหรับมาชุบชีวิตบุตรของตนในฟืนคนทั้งหลายก็ต่างหัวเราะยาะการกระทำอันวิปลาดของเธอจองก็ทางวันหนึ่ง นางก็ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอยาตามคือพระพุทธองค์ก็ตรัสว่ายา น, านาั้นนมีมีเลฟังให้จบแล้ว ก, กอนแล้วเล่าไปเถอะพระพุทธองค์ตรัสว่ายา น, านาั้นน่มีและยานั้นจะต้องมีส่วนผสมของเมล็ดพันธนุ์พกาศจากตระกูลที่ไม่มีใครตายเลยขอให้นางไปเที่ยวขอเมล็ดพันธน์พ ก, กาศจากตระกูลที่ไม่มีใครตายมาก่อนแล้วพระองค์จะประกอบยาให้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 ท่านไม่ได้ประสบทุก์เพียงผู้เดียวตามลำพังมีเพื่อนร่วมทุกออกเต็มโลกในขณะที่เรากําลังสนทนากันอยู่นี้ยังมีคนอีกนับประมาณไม่ได้ในชมพูทวีปกําลังร้องไห้ขําครวญอย่างน่าเวทนานด้วยความทุกข์อาตมาเองก็กําลังประสบทุกท่านกําลังประสบทุกและคนอื่นๆก็กําลังประสบทุกก็เมื่อเรามีเพื่อนร่วมทุกขมากมายเช่นนี้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 เพื่อบันเทาทุกอุบาสกเอ่ยเพียงแต่นิพพัททุก์อย่างเดียวท่านก็จะเห็นได้แล้วว่าสังขารร่างกายของเราเป็นรางของทุก์อย่างไรข้าแต่พูดสรงสิเป็นครั้งแรกที่ข้าพจะได้ฟังความจริงข้อนี้แต่ก่อนข้าพเจาไม่เคยคิดไม่เคยเอาใจใส่จึงไม่คิดว่ามีความทุกข์นอกจากคราวที่เจ็บปวดมากๆและไม่มีทางบรรเทาเช่นปวดอุจรามากมาก ในสถานที่ที่ไม่มีที่ถ่ายเป็นต้นข้าพเจ้าเพิ่งจะทราบอยู่นี้เองท่านบรรยายทุกประการอื่นต่อไปเถิดทุกประการต่อไปก็คือพยาธิทุกขพยาธิทุกพยาธิทุกได้แก่ความเจ็บปวดทรมาน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 สภาวัถุหรือทุกประจําสังขารได้แก่ความทุกทรมานอันเกิดจากความเกิดความแก่ความตายเดี๋ยวก่อนข้าพเจ้าสงสัยปู่บาศกสงสัยอะไรข้อที่ว่าความแก่ความตายเป็นเหตุให้เกิดทุกนั้นข้าพเจ้าพอจะมองเห็นแต่ข้อที่ว่าความเกิด เป็นเหตุให้เกิดทุกนั้นข้าพระเจ้ายังมองไม่เห็นเพราะตามปกติชาวโลกย่อมถือว่าการเกิดเป็นการได้ลาบเป็นมาหามงคลเป็นโอกาสที่ควรยินดีปรีดาคณะวรณพรามย่อมมีพิธีฉลองการเกิดตั้งแต่ทราบว่านางพราหมณีตั้งครันครั้งแรกทีเดียวเรียกว่าคาราสปนะักเมื่อมีเครื่องแสดงว่าทาลกในครันจะเป็นเพศชายก็มีวิธีปุงสวรรคเมื่อถึงเดือนที่สี่ ที่หกและที่แปดก็มีพิธีตัดผมมานดาเมื่อทารกคลอดออกมาก็มีพิธีชาตะกมผู้ประกอบพิธีและร่วมพิธีต้องมีจิตใจร่าเริงเบิกบานเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าพเจ้าจึงไม่เข้าใจว่าที่ว่าความเกิดก่อให้เกิดชาติถุกที่ท่านสงสัยนี้ก็นับว่าควรแก่เหตุผลแล้วเพราะความรู้สึกและประเพณีของชาวโลกแสดงว่า